ไอ้ที่ช่วยให้คนได้ก็คือความดีธรรมะคือความดีเป็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่ว่ามาพูดถึงพระเจ้าเรมันจะเป็นตัวเป็นตนอยู่นั้นเนะี่ยมันก็เป็นภูกิราษารไปแล้วจิตไม่จมลงไปในนั้นอย่างนี้อือว่าถ้าเจ้าไม่ช่วยเราทำไม่ดีธรรมะก็ไม่ช่วยเรอ เราทำดีก็คือคนดีช่วยเราคือพระเจ้าช่วยเราเราทำไม่ดีก็คือเ้าทำไม่ดีคือมีความเสียหายเกิดไม่ดีขึ้นก็คือพระเจ้าช่วยพูดตังง่ายๆเราจะพะจิจาเห็นชัดเจนเนีอือย่างนั้นพระเจ้าก็คือธรรมะให้ชี้แจ้จริงนเรื่องเนี่ยอยู่ในพุทธศาสนานี่ก็มีพระเจ้าเหมอือนกัน อยู่นั่นก็มีพระเจ้าเมืนกัแต่ไปสมมุติว่าอ น, นั่นพระเจ้าคิดอันนี้พระเจ้าพูดเท่านั้นเนี่ยที่ความเปจริงพระเจ้าทั้งสองอย่างนี้ก็ช่วยคนได้คือคื อ, คอทําความดีแล้วมันจะมีความดีเกิดขึ้นมานี่ครับพระเจ้าช่วยถ้าทําความเสียหายก็ความไม่ดีเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ช่วยนั่นคือตัวพระเาจ้าอยากแท้จริงจริงเราพิจารณาเห็นในใจแล้วก็ได้ แต่ทำไมที่นี่พอแค่นี้เท่านั้นอ่นั่นเห็นทรรมอย่างนั้นความเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยพร ะ, ะออหังพันเตสัมปองราณนาบนรรณนี่ก็คือล่างบาสนะเห็นไหมเราล่างบาปแต่ว่าล่างบาปก็คือพุคนนั้นหยุดเจ้มันก็ไม่มีบาปนะถ้าเราไม่หยุดก็แสดงอาหังพันเตสัมปอ ร, ราไม่ได้เหมือนกัน พราเจ้ามาช่วยนี่ก่อ น, นพูดไม่จริงอออย่างนี้ถ้างอา่าแสดงอาบัติออกหมดแค่นั้นก็กนวิวล่างบาปก็ได้ไม่นี่นี่เดียกว่ากินขนมปังล่างบาปมันเป็นที่ๆอย่างนั้นมันกั้นกันนิดเดียวนั่นเนี่ยถ้าพูดไปถึงที่สุดแล้วก็เรียกว่าธรรมะอันเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยแต่คนไปแยกออกนะแต่ว่าเราจะชัดชัดจริงจิงเช่นๆๆว่าเช่นว่าพระพุทธเ จ, จ้า พระพุทธเจ้าพระพระโคดวนพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดูไายแต่ว่าแค่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะมันไม่เห็นชัดในใจถ้าเรามาพิจารณาเรื่องในใจของเราธรรมะจริงความจริงในใจเราแราจริงที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงเนี่ยอ อ, องค์นั้นเนี่ยเป็นภูมราชสิฐานันนี้มันเป็นธรรมาสิทธานิแทยจริงเนี่ยได้เรายืนยันเป็นพยานในตัวของเราได้อย่างนี้เออ <c oughs> ใค้ให้อุตจโมก็ผิวหนาเลยทีเออของที่ไม่ของที่มันถูกต้องแล้วก็ทํำไมเลยคือเรื่องว่าอันนี้มันก็โพูดยากเหมือนกันนะอ่ามันมันมันมันก็พูดยากเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นเรื่องรักที่เรื่องศาสนาที่ถูกต้องจริงๆเลยมันเหมือนกันให้พ้นทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันคิดเนี่ยมันพูดเนี่ยมันมันแย่งกันโดยที่ออื ่าไอ้คิดเนึ่ยเป็นพระเจ้าเนี่ยถ้าถ้าเป็นพระเจ้าคือธรรมะนีมันได้เหอถ้าเข้าใจว่าพระเจ้าคือธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาขนมไปกินเนี่ยมันล่างบาปไม่ได้แน่นะ น, นะอแต่ม า, มาคิดคิดกันเพราะมานคิดกระพุธเนี่ยเอคิดกระพุธนี่มันอันเดียวเท่านั้นน่พระเจ้ากับพระพุทธเจ้า มันก็พระเจ้าในอาการอืแต่ว่าไอ้ไอไอไอพระเจ้าอย่างแท้จริงคือเป็นปรมาจิตต่อเดียวธรรมะทําดีก็ได้ดีกินกรรชั่วได้ชั่วกิงอย่างนั้นอืแต่ว่าถ้าหากว่าเราทํามันสงสัยอยู่นี่ก็นเนี่ยใช่ไหมให้ถึงพระพุทธประธรรมประสงค์นี้ก็ให้ทิ้งหรื อ, อย้า้มันสงสัยก็อะไรเลยนี่นนมันจะช่วยอย่างเต็มที่เลย มันไม่ต้องดีกีจิตขาอืมเราจะทําอย่างนี้เออมันขัดต่อพุทธเรจะทําอย่างนี้เออมันขัดต่อคิดมันได้ยุ่งในใจของเราอยู่เนี่ยอืมมันยุ่งอย่อยางนี้จ า, าว่าท่านจะให้จัดอะไรออกให้หมดนะอ ย, ด อ, ยดอย่างท่านจะอยู่ปฏิวัตเพื่อให้สำระจิตอันนี้ให้มันออกมาเพื่อจะบําเพ็ญทางนี้ให้มันทางเดียวเท่ า, านั้นะหมดสงสัยเนะี่ย เรื่องตีพีไม่ได้เรื่องตีพีไม่ได้มันก็แสดงว่ามันอที่มันมองเห็นด้วยตาในแต่ภายในมันไม่มันขัดที่จังหวะที่เรากำทํากันอยู่เนี่ยออะถ้าว่าเราทํากิจในพ้นจากทุกข์เลยมันก็พ้นไปเหมือนกันแต่ว่าจะไปอยู่กับพวกพุทธจริงๆข้าไม่หยุดอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างเราจะไปอยู่กับพวกพิทข้าไม่หยุดพุทธก็ไปอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันแค่นี้แต่วัษาอิไดคนนนี่ ที่ได้คนคนมีศรัทธาเฉยที่ได้แต่ก็ถึงแกออกจากนี้ไปแก่จำมันรู้ธรรมะให้มันให้มันให้มั น, ใ ห, มนให้มันรู้จักธรรมะจริงๆแล้วรู้จักการคนทุกข์กับคนทุกต์ไ้แต่มาอยู่ในพวกอย่างนี้มันสงสัยกันนี่อือย่างนั้นอืยังอืยัางเปิดเสดหรือประเสดอยนี้ พูดกันไหนรู้รู้เรื่องกันแต่มันติดตรงนี้ติดตรงสีวานี่ประเซกกะวันนั้นเขาทำาคาทำงาเนี่ยปวดลานมัดเนี่ยเทก็ไปปวดช่วยได้ได้คำว่าทำงี้ได้บุญไหมเพราะว่าทําไม่ดีเนี่ยทำงี้ได้บุญไหมก็เป็นนึกคิด ไม่รู้บุญแต่ว่าทําอย่างนี้มันเป็นประโยชน์เดิมประธมันมันก็บุญเนี่ยนะอนะตรงหมายมันเป็นบุญนะแกไจคําที่ชื่อว่าบุญยังไง น, นอะอืถ้าว่าเราสึกไปเงี่ยเราสึกไปเราไปบัตดในรูปอันนี้แต่มันไม่ขัดกันตรงนั้นคล้ายๆค่ะพูดอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งการพูดอย่างหนึ่งจะทําใจอย่างหนึ่งแต่เดี๋ว่า เราพูดว่าเราเราเป็นคลิสเราเป็นคลิสนี่เดี๋ยพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าใจเราเห็นธรรมเป็นพุทธมันพูดอย่างใจอย่างพูดอย่างใจอย่างมันก็เป็นสองข้างเหมือนกันอเหยียบเรือสองแคมเลยเออเอเอเความลังเดียวสงสัยดีจิกิจช้ามันเกิดขึ้นแต่มันไม่สมบูรณ์ตอนมเป็นจริ ง, งนิสัยแย่ดีด คิดใส่แกดีไปมาอะไรดีผมชอบดูคิดใส่คิใส่แกถ้าหากว่าท่านเรื่องกัแกกรู้ดธรรมะเร็วขึ้นอี่ยวนี้ก็มันแต่มันมันรู้ธรรมะเหมือนกันที่นี่เราเราเรามาบอกเป็นพระไงเยชูไอ้ออออออออคิดเนี่ยเห็นทำไมต้องเกลียดเลยตนะ้องเกี่ยด<ข>ไหมโอ้โหคิด อนที่ะนให้เอ่อร่ายร่วเนั่นในที่ไม่เข้าใจนั่นแหละดีไม่ได้ติอดีเป็นดีเว่าอยู่แบนี้ก่อนดีด้วยไปไม่ต้องอะไรอยู่ไหมเจ้าสบายใจ ให้อยู่ไปเรื่อยซะก่อนให้แกรู้จักธรรมะให้มันซึ้งดีๆก่อนอ ย, อยังหยุดยนู้นนั่นซะก่อนอย่าเพิ่งพูดัะไปถึงนั้นอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยก็ให้เรียบร้อยความจริงเราก็สงสัยแต่ว่าคนเรียบร้อย น่าจะว่าคนนอกพุทธศาสนาได้ไหมนี่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 ว่ามันเป็นเป็ดชีส้สามันเหมือนเหมือนไก่แล้วก็ไปเห็นอะไรนไม่รู้ว่าตัวอะไรนี่นะมันจะเป็นอย่างงั้นคือความเป็นจริงท่านในบริสุทธ์กายวาจาใจบริสุทธ์กายวาจาใจอกายทําดีอยู่แค่ว่าจิตบริสุทธ์ก็ไม่ได้อย่างนี้นะต้องจิตก็ต้องบริสุทธ์กายบริสุทธ์วาจาบริสุทธ์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 เราไปขโมยของคนเด็กทจิตฉันบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันมั น, ม, นมันฟังยากคนที่มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่ไม่มต้องไปขโมยของใครอย่างนี้เรามองดูกายวาจาใจมันเรียบร้อยตรงกันเป็นว่ไอไไอไตรงเนี้ยไอไตรงนี้มันตรงตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงตรงนี้มองระลับตรงนี้ตร ง, ตร ง, ตรงเราจะไม่นับถืออันใดอื่นอืม เราจะมายึดถือรายยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่านับถือพ่อแม่ก็นับถืออยู่นับถือเพื่อนฝูงก็นับถืออยู่แต่ไม่ยิ่งกว่าพุทธศาสนาทางคนกับทางสัตว์ของศาสนาไปมนันเนาะ จากจะอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพื่อให้ทำความเข้าใจในหลักพุทธศาสนาให้มันให้มันมากขึ้นให้มันมากขึ้นบางทีแเ้าก็เหวี่ยงมันทีมันเมื่อมันเห็นชัดมันก็วางเองก็ได้ต่างกันไหมคลิดกับพุทธต่างกันไหมเปล่าเรื่องจิตใจนะการปฏิบัตินะักิิารปฏบต ม a ภารกุลมีอาวุธความมีพระ a จ s าแต่ถ้าเรื่อ n คุ้มค e องมัน a ีอะ r รอันเดีกันยันเดียวกันเดียวก a นเดีวกถักันเยอะเ p อะแต ไหนการปฏิบัติเป็นความเปลี่ยงสมการปฏิบัติเแ่เวราสองแง่องประจาเดียอย่างอเคแล้เนี่ยจะต้ทำยังไงทำยังไงเพอ พระเจ้าเป็นรูปยังไงเป็นสันฐานใหญ่มสูงม้งมตาม้าสีเสียไฮะ่าธรรมสีสีอะไรทีาวงไม่มีสีอะไรทั้งนั้นหละบริสุทธิ์เท่นั้นและอนี่ นี <ELL> <S <S ่น <ses qui> ี่นี่มันมันมันมันถูกธรรมะดักตียกันเนี่ยแต่มันมาคนในเส้นในสายอย่างนี้นี่มันก็เป็นธรรมะนั่นแหละเออมันก็เป็นธรรมะนั่นแหละก็เป็นธรรมะมันไปถึงเดียวัันแต่ว่า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 บวชให้เดือจะไดเป็นบาตหลวงต้องบวชให้เดือจะได้เป็นพระเงี้ยต้องบวชเห็นไหมอันนี้จะได้เป็นบาตรหลวงต้องบวชบาตรหลวงไหมเป็นบวชไม่ได้ยังไไม่ได้ไม่คือกเนบาตรหลวงฮะไม่ได้ศึกเป็นบาตหลวงไม่ได้ไม่ได้ศึกจากจากบาตรหลวงไม่ศึกเป็นบาตหลวงก็นเลยกว่าศึกนี้ พุทธนิสึกไปเป็นบาทหลวงเงี้ยจริง ม, มันยังไม่ไ้สึกจากบาทหวงไม่กสึกจากไม่กจากัากจากยากเนาะเกิดมาในโลกนะี่ยากเนาะ